y e ทิน وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ا ل ْ ب َ ا ط ِ ل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَنَّ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ألم تر أن ا ل س ل كتجري في البحر بنيمة الله؟ بنيمة الله لريكم من آياته. بنيمة الله لريكم من. آياته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 ه ه الله م ม ي ยั ه ا ด ل ห์ فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا a ل l a وحده لا, لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أنصينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك ل ِ م ا ت ا ل ل ه ِ ت ا م َ ا ت م ن ش َ ر م ا خ ل َ ق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 Allahu um m a a f i في بدني و ع ف ن ي في سمي و ع ف ن ي في بصري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสุบที่มัสยิดของ Allah ที่รักทั้งหลายครับแดีพี่น้องที่ติดตามตั้ซีอัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านนะครับทุกทกท่านครับด้วยความเมตตาของอ l سبحانه และก تعالى ให้เรามีชีวิตอยู่พี่น้องครับ จนกระทั่งมาถึงเดือนรอมฎอนเดือรอมฎอนนี้ผ่านไปแล้ว14วันนะห้ามดลเลยละแล้วอัลลอฮ์ให้ฝนตกมาอีกอัลลอฮ์เป็นความเมตตา ก, กับมุสลิมนะครับที่ถือศีลอดเนี่ยถ้าฝนไม่ตกมันก็ร้อนร้อนมันก็แย่พอฝนตกลงมาเย็นก็เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราได้มีโอกาสเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะได้นั่งที่มัสยิดของอัลลอฮ์นี่อาทิตย์ละครั้งเนี่กนั่งก็เรียกว่านั่งซิกรุลลอห์นั่งแบบนี้นะเรียกว่านั่งซิกรุลลอห์นั่งเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์โดยการอ่านกุรานแล้วก็หาความรู้จากกุรานประมาณสี่สิบห้านาทีชั่วโมงหนึง่งไม่เยอะพี่น้องอาทิตย์ละครั้งอ่ะ แล้วก็ได้อ่านกุรานสามสี่อายะแล้วทำลิรินละแล้วก็หาความรู้จากกุรานนะครับที่ถ้าจําหมดเนี่นะอเลมถ้าจําหมดนี่นะอนเ ล, ม, ม, อเลมแล้วทำนิรินละแต่ก็ลืมหมดเหมือนกันเรียนเรียนมา ก, ก็ลืมเรีมาก็ลืมได้ย่ะอยาให้ลืมเยอะถ้าเราทบทวนกุรานอยู่บ่อยๆจะมีความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาขอทวนนะครับ ทบทวนอายาที่24ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปนอน24นะนุมัติอาุมกอลีลานุมะติอาหุมกอลีลาเอาสับคำเอาสับง่ายๆไปก่อนนุมัตติอาหุมกอลีล า, ค, า, า, าตตลลคือต้องการจะบอกว่าชีวิตดุนยาใบนี้เนี่ยมันสั้นกอลีแปลว่า เล็กน้อยนุมัติเต้าโุมแปลว่าเราเนี่ยอัลลอ์เนี่ยนะจะให้พวกเขาสนุกสนานร่าเริงกับชีวิตของเขานี่นะที่ไม่เอาอิสลามที่ไม่เอาไม่เอานบี ม, มุฮัมมัดไม่เอาอัลกรุรอานใช้ชีวิตแบบแบบฟาโรห์นะใช้ชีวิตแบบกอรูฮามาน ใช้ชีวิตแบบในอัอาอิสลามนี่นะอัลลอฮ์ให้เขามีชีวิตอยู่ไหมให้อยู่บนดุ่นยาไบนี้นะให้อยู่นะให้อยู่แบบเอาเลยแสวงหาความสุขแสวงหาความสําราญแสวงหาความสนุกสนานเพียงชั่วเล่นอ่เาเาเชียงชั่วเล่นในสาวเข้าใจง่ายกว่านะคอลี่เลานแปลว่าเพียงชั่วเล่น คือความจริงอัลลอฮ์นี่นะให้กับมนุษย์เนี่ยมันให้ทั้งโลกดุนยาโลกอัลลอฮ์บัซักแล้วก็โลกอาคีระสามโลกนะแต่นี่คนที่เลือกเอาโลกเดียวมีไหมเยอะมากเลยเลือกเอาโลกเดียวนะโลกดุนยาฉันเอาโลกดุนยาอย่างเดียวแต่อีสองโลกเนี่ยเขาไม่เอาเขาว่ามันไม่มีโลกอัลลอฮ์บัซักตายแล้วถูกลงโทษเมีย ตายแล้วเอาลอให้รางวัลอีกเหลยในในกุโบฉันไม่เชื่ออ่าจะด้านคนที่ไม่เชื่อโลกอาคิเราะไม่เชื่อตอนนอนอยู่ในกูโบเนี่ยจะได้รับรางวัลตอบแทนจเจ้าลอฉันไม่เชื่อแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในโลกอาคิเราะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ใช่ไหมเลยปฏิเสธสองโลกเอาโลกเดียวโลกดุนยาไปนี่แต่ในคัมภีร์กุลอานนี่ยสอนนะเอาสามโลกนะอลอเนอี่ดูแลทั้งสามโลกเลยนะ โรคใบแรกด้วยตอนเราอยู่ในโลกแห่งวิญญาณอยู่ในท้องมันดาเนี่ยเราก็ดูแลมนะัณฑ์ดูแลอะไรบ้างให้มาริกามามาทึกสี่เรื่องอะอาจันริสกีก่อนริสกีเท่าไรแล้วก็วันหมดอายุตายเมื่อไรแล้วก็มีอาชีพทําอะไรข้อที่สี่จะเป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเราจัดให้หมดเลยแต่ไอีสีดีกับชั่วนี่ต้องเลือกเองนะแต่อีสามรายการเราต้องไปเรียกก่อเราจัดให้ ทนี้คนที่เลือกเอาโลกเดียวเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ไม่ให้นุมัติเต้าหูมกอรีลาคนที่เลือกโลกเดียวอลัลลอฮ์ก็ให้เขามีความสนุกสนานร่าเริงแฮปปี้กับที่พวกเขาไม่เอาอิสลามเนี่ยเขาอยู่สบายนะเข้าบาร์น้อยครับทําดินาะจะทําอะไรก็ได้ทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ก็ได้ได้ทั้งหมดนี่นะแต่คนที่เป็นมุสลิมมต้องระวังตัวตลอดใช่ไหมเดือนอามอสดนี่ร้องเพลง ฟังเพลงได้ไหมไม่ได้นั่งนินทาได้ไหมไม่ได้ทะเลาะ ก, กับภรรยาได้ไหมไม่ได้ภรรยาด่าสามีได้ไหมเดี๋ยวนรมามุสลิมทั่วโลกเขาเขาก็ฟังศาสนากันก็เออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่อีกอีกอีกสิบเดเดือนข้างหน้าไม่แน่แต่เดือนนี้ยังไงยังไงฉันก็ไม่ทําความชั่วพี่น้องครับเดีนี้คนที่ไม่เอาศาสนานี่นะครับแฮปปีก้กับโลกดุจยาโลกเดี๋ยวเป็นยังไงครับ ส ม, มานาตโรหมแล้วเราอัลลอฮ์นี่นะจะต้อนอ ah. ัลลอฮ์คำว่าต้อนก็ น, นึกถึงควายไงนึกถึงแพ้ <N un S 1> นึกถึงแกะหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วนะถ้าไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์จะต้อนต้อนไปไหนครับต้อนพวกเขาเหล่านั้นอิละอาดะบินกอลีสู่การลงโทษอันเจ็บปวดอันร้ายแรง อัลลอฮ์เพียงเนั้นเชื่ออัลลอฮ์ดีกว่าเพี่นั้นเอ้ยอยู่กับอัลลอฮ์ดีกว่าอยู่กับอิสลามดีกว่าเพราะอพิสลามนี่เป็นศาสนาที่มากะที่มาพร้อมกับโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มานี่นะให้อยู่บนโลกใบ น, นี้นะพร้อมกับให้อิสลามมาด้วยนะไม่ใช่ไม่ให้นะให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างมนุษย์แล้วก็ให้อิสลามเนี่ยมากำกับชีวิต ตั้งแต่โลกดุนยาใบนี้มาใหม่ๆอิสลามมาด้วยนะโอ้โหเห็นยังครับต้องขอบคุณอัลลอฮสุบฮานาอูวาตาละเอาวันนี้มาอายาที่ยี่สิบแปดสุรลุกมาพี่น้องกับลุกมาพี่น้องก็กต้องนึกด้วยนะลุกมาเนี่ยไม่ใช่นบีแต่เป็นคนสำคัญหน้าตาไม่หล่อเลยพี่น้องตัวเตีย้ยเตีย้ยปากเนี่ยริมฝีปากข้างล่างข้างบนเนี่นะอัลลอฮไม่ได้สวยตรงไหนเลย แล้วก็เป็นคนเลี้ยงอลไร น, นะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นทาดด้วยแล้วเมือ่อไงเป็นทาด้วยแต่ว่าความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยเขาอบรมลูกของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ดีใจมากเลยพอใจที่ที่ลูกมาเนี่ยให้ความรู้กับลูกของเขาอัลลอฮ์ก็นําเอาเรื่องลูกมาเนี่ยมาเล่าให้ท่านนาบีมุฮัมมัดฟังอา้าวนบีมุฮัมมัดฟังนาะนี่ลูกมาเขาอยู่กับลูกของเขาเนี่ย เขาสอนลูกของเขาเรื่องอะไรฮามดุลิลลาฮ์ดีมากครับเรื่องแรกก็คืออย่าทำชิริกเรื่องแรกอย่าทำชิริกอย่ากล่มลงกาบสิ่งอื่นใดนอกจาก Allah อัลละฮฺสุบฮานวะตะอาลาวันนี้อายาที่ี่สบนะครับมาคนคูกุมเวลาบาสุกุมอิลกานัฟซินวาฮิดะ อินนัลลาฮะซามิ่งบัซซร์ไม่ خ ل ุกุมว่าลาบัอุษุคุมัลลักะนัฟซิมวะฮิดะอินนั่ลลาฮะซามิ่งบัซซิร์ alhamdulillah ทุกอ้อยากนี่คุณอัลลอฮมีความหมายหมดเลยนะ มาขอล ก, กุ้งมาดูสับก่อนนะคอ้อนกุ้มแปลว่าการบังเกิดสู่เจ้ากุ้มไประวัตท่านทั้งหลายคอ้อลกู้งปรวัตการบังเกิดหรือการสร้างการบังเกิดสู่เจ้านี่พูดเรื่องพวกเราหมดเลยนะพูดแค่เร่องมนุษย์อย่างเดียวนะมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะอ๋อร้อนเล่าให้ฟังว่าในวันกียามาเนะ่ยเป็นอย่างนี้คนที่ตายทั้งหมดเนี่ยนะ ฟื้นหมดไม่มีใครไม่มไมมฟื้นไม่มีฟื้นหมดนอกจากอรรถจะไม่ให้ฟื้นกับอีกเรื่องหนึ่ง น, นะแต่ว่าในคอมพิวเตอร์อธิบายว่าทุกคนต้องฟื้นหมดตายเท่าไหร่ฟื้นเท่านั้นมาคอนกู้กุมการบังเกิดสูเจ้าวลาลาบะสุกุมบาสุนแปลว่าการฟื้นคืนชีพแล้วว่าการฟื้นขึ้นของสู่เจ้า ตองอธิบายนะหลังจากตายไปแล้วาการให้บังเกิดสู่เจ้าแล้วก็การให้ฟื้นขึ้นของสู่เจ้านี่ห่างกันเป็นพันๆปีนะเป็นแสนๆลานปีเลยนะตายฟื้นก็สร้างก่อนแล้วก็ตายไม่ได้เล่าว่า อ, อยู่บนดุนยาทาอะไรบ้างเนี่าคิดใช้สมองตัวเองบ้างต่อยอดตัวเองบ้างนะครับอุอลนอกจากกานับสิ้นชีวิต นับซุนเนี่ยแปลว่าชีวิตนะนับซินนะครับนอกจากเป็นชีวิตวาฮิดะแปลว่าหนึ่งชีวิตเดียวเรื่องนี้มีมีเรื่องนี้มันมีมีอย่างนี้ที่มาของอาญานีสาเหตุก็มีมีศัตรูของนบีมุฮัมมัดอย่างน้อยมีอยู่สามคนนะเออชื่อสักคนก็พอท่านอุบัยยิปเนี่ยขอรับคนนี้รวยมากเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในนครมะกา แอนตีนบีมุฮัมมัดนบีเอากุร an, อานอายะไดมาสอนนี่นะก็ขวางทุกอกายะนั่นแหละขวางขวางขวางขวางนี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าอุบะยิบนะคอนลับเนี่ยได้ไปหาท่านนบีอพออยายะกุร an, อานอายะนี้ประทานลงมานะมะาคมอลกุกลาบาสุกุมอิลกันนับซิวฮิดะการบรรเกิดสู่เจ้า หรือการฟื้นขึ้นมาของสูเจ้าในโลกอาคีรอนนะไม่ใช่อื่นใดไม่ใช่เรื่องยากนอกจากเช่นการบังเกิดของสูเจ้าชีวิตเดียวเหมือนกับสร้างคนคนเดียวเนี่ยนะง่ายมากสาหรับอัลลอ์เพราะว่าอย่างนี้ปับ๊บสัตว์ตัวของอิสลามเดินไปหานาบีไปถามว่ามุฮัมมัดท่านอ่านอ่านอ่านุรานเมื่อตะกี้เนี่ยตายเท่าไรฟื้นเท่านั้นนี่นะ แล้วก็ฟื้นง่ายมากเนี่ยฉันสงสัยไอ้ตอนเกิดเนี่ยไอ้ตอนเกิดเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจากน้ําเอาสุจิผู้หญิงผู้ชายบวกกันรวมกันอยู่ในมลูกต้องมีกล้าก่อนใช่ไหมบางทีก็ไม่มีลูกบางทีก็มีลูกพอมีลูกเป็นยังไงครับเป็นก้อนเลือดก่อนสี่สิบวันท่านเคยสอนมาอ่าแล้วก็เป็นก้อนก้อนเลือด ก้อนเลือ3สามสี่สิบวันก้อนเนื้อ4ี่สิบวันเป็นกระดูกสี่สิบวันแล้วมีเนื้อหุ้มกระดูก4ี่สิบวันมันมีขั้นตอนทั้งมันอ่ะแล้วท่านมาพูดว่าว่าฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยม่ต้องผ่านขั้นตอนนี้เลยหรือโอ้เห็นไหมนบีไม่ว่านาบีจะอ่านกุรานของอัลลอฮอย า, ายาใดกว่ามนี้มันมาคา้านขั้งแรกนะคุณประกาศว่ามนุษย์เนี่ย ตอนจะขึ้นเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ผ่านขั้นตอนทั้งสขั้นตอนเอาห้าก็ได้จากดินอพอดินแล้วก็เป็นก้อนเนื้อไ อ, กอ้ก้อนเลือดก้อนเนื้อเป็นกระดูกแล้วก็มีเนื้อหุ้มกระดูกครบร้อยยี่สิบวันเลาล่อให้น้นให้นี้เราคลอดออกมานี่พลังฟูนขึ้นมาในวันเกียรติมาเนี่ยอะไรกันเนี่ยขั้นตอนไม่เห็นมีสักทีนึงน่ะเลือดก็ไม่มีกระดูกก็ไม่มีอะไรไม ม, มาได้ยังไง อัลลอฮ์ก็ประทานคุรานญาณีลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ลัมบรรยายอีกครั้งหนึ่งว่ามาคอลกุกละบาสุกุมอิลกานฟซิวฮิดะการบังเกิดสูเจ้าในโลกอาคีรอแล้ ว, ก, วาการให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคีรอนนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับ Allah, Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลกบะดเหมือนกับสร้างคนคนเดียวเพียงแต่กล่าวว่าไงรู้ไหมกุน ก็ไฟยากุก้นแปลว่าจงเป็นจงฟื้นมันก็ฟื้นขึ้นมาเลยนี่คำตัดความรอบเพียงคำเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หมดเลยอ๋อคนนั่งคนนั่งกันเข้าใจพนนบีอธิบายปั๊บเนี่ยแล้ำดูลิลลเข้าใจทันทีเลยหล้ำดูลิลลพี่น้อง ทีนี้ต้องการจะสอนสอนพวกเราด้วยที่เรามีอักีดาว่าลเราสร้างนู้นสร้างนี่สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจนันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์เราสร้างสัตว์เนี่ยก็เราสร้างจริงจริงอ่อลตอนรอดนะครับพุณอานนะอธิาพันธ์มาใช่ไหมล่ะเช่นคนกาเฟสมาถามนาบีคนมุชริกในสมัยนบีนี่นะเขาเชื่อว่าเราเนี่ยสร้างโลกนะ อัลลอฮ์ถามว่ามูฮัมหมัดลองนบี ล, ลองไปถามคนกาเฟตมุชลิมในอาดรับหนึ่งพันสี่ร้อยปีนี่นะไปถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนทําใครให้เอาน้ําฝนตกลงมาจะฟ้าฟ้าพวกนี้ก็จะตอบว่าอัลลอฮ์แต่ว่าอัลลอฮ์เอา้าถ้าว่าอัลลอฮ์เขหน้าจะเป็นมุสลิมอยู่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมล่ะแล้วส่งนบีมาทําอะไรอีกพอยังขาดอยู่สองข้อ เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างโลกสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์สร้างนู้นสร้างนี้แต่คนอาหรับมุชิกยังขาดอยู่สองข้อข้อที่สองอะไรรู้ไหมเวลาไปกราบไปขอไปข อ, ไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุาาบฮานะฮูวูตาลาไปขอผ่านกูโบอย่างงี้ไปขอผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถามว่าวันนี้มีปะมีไหมแล้วเป็นหน้าที่ของใครของนบีอนานนบีตายไปแล้วเป็นของใคร องพวกเรานี่แล้วจะต้องเข้าไปสอนต่อไปท่า น, นคนทำงานศาสนาเนี่ยเหนื่อยนะและถูกด่าด้วยนะยิงมาสอนกูยิ่งมาเสือกมาสอนกูกูรู้แล้วนั้นเป็นนักับนี่ง า, าศาสนาเห็นอย่างครับฉะนั้นสอนคนให้รู้จักเอาลองเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ต้องมีความรู้ด้วยนะถ้าความรู้ไม่ถึงนี่อย่าไปสอนเลยนะมันตอกกลับหมดเลยนะไปนอนละดอกเตอร์ดอกเตอร์อกันทั้งนั้นในโลกเนี่ยนะใช่ ถ้าเราไม่มีความสามารถถ้าเอาล็ไม่เปิดใจไม่มีสิทธิ์เลยนะยิ่งอ้โหเราไ ม, ไม่มีฐานะการเงินก็ไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีแ้วเราไม่เอาด้วยตำแหน่งนี้นะแล้วไปสอนนี่มันจะเชื่อไม่เชื่ออยู่แนละ้วนอกจากเราอธิบายคุณอ่านนี่แหละอยกตัวอย่างให้เห็นในอดีตพวกนี้มาเราจะเปิดหัวใจเขาก็ได้อิชชาอัลลอฮฺ อัตวะก็วัสบักสุดท้ายอินนัลลอฮะซามีอุมบัสซรอินน้าปว่าแท้จริงต้องการจะบอกว่าสิฟัตของอัลลอฮนะมีทั้งหมด99้พนามแต่อัลลอฮเล่าตรงนี้เพียงสองข้อเองแล้วก็เล่าบ่อยๆด้วยนะอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮนี่บอกกับนาบีมุฮัมมัดท่านาบีมาสอนนะสามีอุมอัลลอฮผู้ทรงได้ยิน อ๋อเราเนี่ยได้ยินเราพูดได้ยินสิ่งที่อยู่ในใจเราไม่ได้พูดเก็บเอาไว้อ๋อเราได้ยินหมดไม่ว่าคุณจะพูดกลางวันกลางคืนหรือจะพูดคนเดียวอยู่ในหูบขาวตรงไหนอ๋อเรารู้หมดสามีอุนได้ยินหมดคําว่าได้ยินคํำนี้ไม่ต้องใช่อะไรนะใช้สื่อไม่มีสื่ออ๋อเราเนี่ยเรานี่ต้องผ่านทีวีใช่ไหมต้องชอใช้สื่อใช่ไหมคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยได้ยินหมดเพราะอะไรมันไม่มีสื่อ แต่อลัลลอฮ์ไม่มีซื่อครับมัต้องมีทีวีด้วยอลัลลอฮ์รู้หมดทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าใครจะกระดิกกระเดี่ยวที่ไหนใครจะทําอะไรใครจะยกมือแค่นี้อลัลลอฮ์รู้หมดแล้วยิ่งใหญ่จริงๆอลัลลอฮ์เรากับพริบตาเนี่ยวันกี่ครั้งอลัลลอฮ์รู้หมดเลยตอนกลางคืนเนี่ยนอนท่าไหน อ, อลัลลอฮ์ก็รู้คนนี้มีน้นํานามัสบาไม่มีน้ำนำมัสมียูนูบไม่มียูอลัลลอฮ์รู้หมดหมันจะไปแข่งกับเราทาไม ยอมสยบกับ Allah ด้วยคพานท่านนบีม u ม a m m a สามีอุนล l ผู้ทรงได้ยินบาซซีรุนผู้ทรงเห็นเห็นเนี่ย ไ, ไม่ต้องใช้อะไรนะใช้สื่ออ่าไอเรานี่ต้องใส่เป็นตรงเว็นตาใช่ไหมอัลลอฮหุอัลบัดเยอะไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอาศัยสื่อหมดเลยแต่อัลลอไม่มีสื่อได้ยินหมดแล้วก็เห็นหมด ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ก็ตามอัลลอฮ์เห็นหมดเลยเนี่ยให้เราได้มั่นมั่นในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลเลาอินนัลลอฮัสัมิอุมนักนัทัศน์สิธิบายบอกว่าอัลลอฮ์ได้ยินสิ่งที่มนุษย์ยากพูดรนมนุษยพ์พูดพูดพูดพู ด, พดแล้วก็บาซีรุนอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่มนุษยก์กระทําปฏิบัติกระทาปฏิบัติจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตาม ประชากรมีเท่าไราก็าตามรู้หมดเลยละครเดีลิลลยแหลนี่เป็นความสามารถเตือนให้มุสลิมแต่มีความเกรงเคารพยิ่งใหญ่สนรเสริญถึงความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาตาละผ่านไปนะครับอายาที่ยี่สิบก้าอัลัมตาะอฺอัลลอฮฺยูลิจุลไลลาฟินฮาร و ายุ ج ิจุนนา ف ารฟ ل ล ل ล س ์วะซักรชามสวา ل กามรคุลَุอ ل จรีอีลาอา ل ลิมุซามะว่าแนล الحمد لله ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلوي كلوي يجري إلى أجله مسمى وأن الله بما تعملون قبيح <ير> الحمد لله นี่ก็พูดถึงความสามารถของอัลลอฮ์อีกเหมือนกันความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้มนุษย์ได้เห็นได้พิจารณนาะนี่อย่าว่าฮีให้กับนบีนะอย่าลืมนะ ไม่ใช่ให้ใครกับโตเซ่ไหนนะให้กับนบีคนเดียวนะครับเอาดู ด, ดูสับนะอัลัมตารออัลัมเนี่ยแปลว่าไม่ได้ตารอแปลว่าท่านเห็นท่านเนี่ยไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาดูบ้างเรือ่องนี่แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกกับนบีสอนคนที่อ่านกุณอา่านเนี่ยให้พิจารณาดูใช้สมองใช้สติปัญญา ใช้ยังอื่นใช้เกงหมดแต่ดูพิจารณาเรื่องอะไรเนี่ยชั้นฟ้ากลางวันกลางคืนเป็นยังไงบ้างยูลิจูยูลิจูแปลว่าลอดเข้าลอดเข้าอะไรลอดครับอะไละ่ะกลางกลางคืนลอดเข้าไปไหนฟินฮาดในเวลากลางวัน กลางคืนกับกลางวันมีอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีกลางวันกลางคืนกลางวันกลาคืนอะไรมาก่อนไปเนอะจากคุณอานาญาเนี้อะไรมาก่อนกลางคืนมาก่อนเพราะอิสลามเนี่ยนับนับวันเนี่ยเขานับตอนเข้ามักริบอพอมักริบมาปั๊บเนี่ยวันใหม่มาแล้วแต่คนฝรั่งเนี่ยนับอะไรเที่ยงคืนใช่มไหมล่ะพอเที่ยงคืนนั่นอ่ะถึงจะนับวันใหม่ แต่ของอัลลอฮ์ของนบีของรอซูนเนี่ยนับตั้งแต่มะริบพอมะริบเข้าปั๊บเข้าวันใหม่อัลลอฮ์สั่งในกะพีกุรานบอกกับนบีให้นบีมาสอนว่าไงนะพวกคุณเนี่ยไม่เคยคิดดูบ้างหรือว่าอัลลอฮ์ทรงทําให้กลางคืนลอดเข้าไปในเวลากลางวันมันก็อยู่ติดติดกันนี่แหละใช่หมเลือกล้ากันบ้างเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ย นี่ต้องสังเกตด้วยนะมีล้ำด้วยนะล้ำเล็กๆน้อยๆบางทีกลางคืนก็ายาวกลางวันก็ายาวต้องสังเกตสังเกตไปถึงเงาด้วยออลลอนี่เป็นน้องนี่ถ้าเงาไม่มีเนี่ยนะเนี่ยสร้างมันก็ต้องสองสาชั่งถ้าเงาไม่มีนะนั่งไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยอลลอลถ้าฝนตกเดีวเรียบร้อยนี่เงาเนี่ยช่วยได้เนี่ยช่วยเดินบนเลยแหละคับเดลีลาสังเกตนะเงาเนี่ย พอตะวันขึ้นด้านนี้เงาอยู่ด้านนี้พอตะวันมาด้านนี้เงาอยู่ด้านนี้นบีอธิบายยางไงมาเงาสุยูด ต, ต่ออัลลอฮ์เห็นอย่างรครับเงายัางสูุยูด ต, ต่ออัลลอฮ์แล้เราเนี่ยทําไมสุยูดไม่ต่างอะไรกับอะไรเ <c oughs> ตือนเราตลอดเวลาเทนี้แพะแกะอูวควายเนี่ยมันไม่สุยูดแต่อัลลอฮ์เวลาให้มันกินน้ํากินหญ้าเนี่ย มันเอาหมูกของมันแลน้วนามันเนี่ยก้มที่ดินทันทีท่านคือสุดหยุดลยแล้วแล้วเราเนี่ยดูท่าเลยเดี๋ยวเราท่านั่งท่าท่าใช่ไหมท่ายืนเนี่ยไม่มีสุดหยุดเลยใช่ไหมถ้าไม่มีท่านมานะจบเลยนะเขามายืนตั้งเงอยู่เงี้ยแต่แพะแกะวัวควายจะกินน้ําที่เอาสุดหยุดทีกินหญ้าที่สุดหยุดทีมันสูดหยุดทั้งวันนะ้าไม่เห็นเหรอ นี่ให้เรามองมองลใช้พปัญญาอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอ์สุภาพนะครบวะอาแล้วห้ามดินเลยรวมไปถึงท่านอนอัลลอฮ์ก็สอนสอนกับนบีนบีเข้ามาในมัสยิดเห็นคนนอนอยู่ในมัสยิดนอนคว่มนะเลาบอกว่าอ้าบุกไอ้ท่านี่ท่านอนคว่มเนี่ยมันท่าของคนนรกนะท่าตะแคงขวาดีที่สุดถ้าจะนอนนะ น่นอนบนบนที่นอนเราเนี่ยนะถ้าไหนดีที่สุดถ้าจะแข็งขวาอาโลวัควาเพื่อสุขภาพบนเลยจะนั้นหัวใจอยู่ด้านนี้เพียน้องเนี่ยอยู่ด้านด้านด้า น, ด, า น, ด, านด้านซ้ายมือเนี่ยเส้นหัวใจเนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจนะตรงขยี้ตรงเนี้ยบ่อยๆเนี่ยมันช่วยได้อผมนี่หมอสั่งนะโรงพยาบาลทําอย่างเงี้ยบ่อยๆทุกวันวันละสามสี่ครั้งทํำเส้นเลือดหัวใจมันไม่สะดุด อ่าเราไขมงไขมันอุดอยู่ตรงนี้มันช่วยได้เพราะเดี๋ยวนี้การรักษามีมีอยู่หลายแบบไม่ใช่กินยาฝรั่งอย่างเดียวนวดช่วยได้ด้วยทำเดีลยลน้เเอาแผนโบราณไทยนี่ไปใช้แล้ครับ น, นี่มันนอกนอกเรียกแล้วนะอลลมต่ร <laughs> ออัลลอฮยุลิลุลลาลฟินนาร์น บ, บีมุฮัมมัดไม่เคยคิดดูหรือว่า อัลลอฮ์ทรงทําให้กลางคืนเนี่ยลอดเข้าไปในเวลากลางวันได้ข้อคิดอะไรบ้างได้เยอะมากการไปน้องทั้งหลายกลางคืนมาก่อนกลางวันมาที่หลังมันก็ขับขาวกันอยู่แบบนี้แหละให้เราคิดด้วยตรงนั้นมีอะไรมีบรราการด้วยนะมีซุรูลลอดด้วยมีนมาด้วย Allah, อัลลอฮ์อัคบัตามาเต็มเลยใช่ไหมนะโหเยอะมากเลยนะใช่ไหมเอาต่อมาครับ wa y u l ยุน n harafil lail และเราให้กลางวันเนี่ยลอดเข้าไปในเวลากลางคืนอัลลอฮอักอบิล้มทับกันไปทับกันมาเล็กๆน้อยๆนะแค่สิบนาทีห้านาทีสามนาทีแค่นั้นเองนี่อลัลลอฮฺตาลาให้มาเพื่อเราจะได้ขอประคุณอัลลอฮว่ามันมีบรรากาศด้วยชีวิตของเราตรงนั้นด้วยนะครับเอาต่อมาครับมาพูดเรื่องดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์วะซักครวะซักขอรแปลว่าทาให้ เป็นประโยชน์ซักอรอแปล ว, ว่าทําให้มีประโยชน์อะไรครับอ ช, ชัมซะดวงอาทิตย์อลัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ขึ้นมานี่มีประโยชน์ไหมประโยชน์เยอะมากเลยต้องไปเรียนวิชานีน้แล้วก็ว่าก็มารอให้ดวงจันทร์มาก็มีประโยชน์เนี่ยอลัลลอฮ์ใหนะ้ให้มีประโยชน์แต่มนุษย์บางคนไม่รู้ว่ามองดวงอาทิตย์มองดวงจันทร์มองยังไงกลายเป็นพระเจ้าได้อางมีเปล่า ไม่ไม่ไ ม, มีมึงก็มาตอนที่อาร์มสตองขึ้นไปเหยียบบนทองอะไรดวงจันทร์พอลงมาเอ้ยใครไปเหยียบพระเจ้าของใครหลายคนพระเจ้าของคนที่กราบดวงอาทิตย์มีเปล่ามีกราบดวงจันทร์มีไหมมีเขาก็ชอบไม่พอใจเน่ะไปเหยียบพระเจ้าฉัน <c oughs> แต่อัลลอฮฺบอดังกะพิกุานาร์ไม่ต้องไปกราบดวงอาทิตย์ไม่ต้องไปกราบดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์กับมนุษย์ห้ามกราบ อ้าเนี่ยลองแดดไม่ออกนะเสื้อผ้าจะแห้งไหมล่ะแค่นี้ง่ายง่เนี่่เราก็เครียดแล้วอคนที่มีอาชีพซักเสื้อผ้าใช่ไหมเราก็รีดเสื้อทรงเขาเนี่ยตายเลยเนี่ยแดดไม่ออกทําไงโอ้โหต้องวางแผนคิดกันต่อไปจะทันยังไงต่อไปขอบคุณอัลลอฮ์พี่ต้องอะไรตัวร้องว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ดวงอาทิตย์มาให้ดวงจันทร์มาถามว่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่เฉยเฉยใช่ไหมอ่านต่อไป กุลลุยยาจรีทั้งหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนชานฟ้าทั้งหมดเลยเป็นไงครับยาจรีมันไรมันวิ่งจารอยาจรีบปว็วารันมันวิ่งโอลโอ่าไม่ใช่เดินนะวิ่งนี่จากโบราณนะครับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันวิ่งเห็นไหมแล้วก็วิ่งชั่วโมงเท่าไรเพียงว่าก็รู้อยู่แล้วไปอ่า น, อนเองก่อแล้วกันเครื่องบินนะสู้มันไม่ได้นะ ที่โลกหมุนเนี่ยที่โลกวิ่งอยู่ในเครื่องบินไม่เท่ามันหรอกมันวิ่งไวกว่าน่ะ อ, นอัมรแต่เรารู้สึกตัวไหมไม่ดูสึกตัวเลยอ๋ อ, อวันโลกก็วิ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วิ่งหมดมุง ด, ง ด, ง ด, งดวงดงดาวโคจรเนี่ยอ๋อไม่จะอยู่นิ่งเลยนะนี่กุณอ่านสอนเราคนพวกดาราศาสตร์ในเทวเกง่งๆอะ่ะเขาจะกุณอ่านไป <c oughs> ไอคนที่ปเจอเซกุณอา่านพอไปเจออาย่า น, นี้ อ๋อฉันศึกษาเรื่องดวงดาวมาตั้ง55ปีมารับอิสลามดีกว่าแล้วลห้ามเดี๋ยวเราเล่านักบีกรุณาด้วแล้วห้ามดี๋ยลนี้เกุลลุยยาจรีทุกสิ่งนี่มันวิ่งมันโคโจรนะครับมันวนอีลาอาจารินมุซัมมาอาจารย์บว่าเวลานะครับหรือวาระสุดท้ายมุซัมมาถูกกำหนดเอาไว้ ตกลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่โครจร อ, อยู่ข้างบนเนี่ยนะมันมีเวลากำหนดว่าโครจรกี่เดือนกี่ปีเวลามีกำหนดอยู่แล้วเวลาที่ถูกกำหนดนักตัรศิกษอธิบายว่าอิลายาวมิลติยามะมีวันหมดอายุคือวันกี่ยาว ม, มากมาตกลงว่าลูกใบนี้มีวันหมดอายุไ้ยหมดครับเราหมดอายุไหมหมด บ้าเราหมดอายุไหมหมดอย่าไปติดยึดกับสิ่งที่หมดอายุให้ติดยึดกับสิ่งที่ไม่หมดอายุคืออะไรอัลลอฮ์ให้ยึดอัลลอฮ์องเดียวให้แม่นเพราะอัลลอฮ์ไม่มีวันหมดอายุอัลลอฮ์อยู่ไปตลอดก่อนหน้าอัลลอฮ์ก็ไม่มีหลังจากอัลลอฮ์ก็ไม่มีมีแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างเดียวฉะนั้นอย่าไปติดอย่าไปติดกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่าไปกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่าไปกราบกลางวันกลางคืนอย่าไปกราบให้กราบอัลลอฮ์องเดียว ตัลองว่าโลกใบนี้มีวันหมดอายุไหมหมดพอดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พินาดุนยากับพิน า, ญญ า, า, นาตามไปด้วยทำได้ลีลาพี่น้องเนี่ยทําให้เราให้หัวใจเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์ดีกว่าอัลลโยงกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอย่าไปโยงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่าไปโยงกับโต๊ะตะกงโตง๊ะตะเกียรไม่ต้องโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนโลกนี้มีเยอะมากนะครับที่มนุษย์บูชาอยู่เลยนะเราไม่บูชา แต่เรามองเป็นสิ่งให้ประโยชน์กับมนุษย์เท่านั้นเองนะต่อมาครับว่าอันนลอฮะและแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยบิมาตาอามาลูนที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติเนี่ยพูดย้ำไปย้ำมาทำไมอ่ะทรงเห็นทรงรู้กันนี้ก็พูดอีก ที่ท่านทั้งหลายปฏิบัตินั้นขอบิรุนแปลว่าทรงตระหนักทรงรอบรู้อย่างดียิ่งเลยตะหนักขอบิบแปลว่าตระหนักรือรอบ ร, ร, อบรู้ใช่ไหมพูดยาำไปยามมาบอกกับนบีให้นบีมาบอกพวกเราว่าอัลลอ์เออนี่ยยิ่งใหญ่กขนานไห น, หนพูดม่ให้เราลืมอลัลลอ์สุบฮานะฮูวาตาดาอัลลอ์คนที่เป็นโรคซึมเศร้านะนึกถึงอลัลลอ์เยอะๆยอะห้เอานึกถึงรอชาชายภาษาไหนอะ a ุ l a h u akbar. سبحان الله. ว้าไปเลยพันหนึ่ง سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. ล้วลา لا إله إلا الله وعده لا شريك له. له الملك وله الحمد وعوالك لشاهين. ว้าไปเลยพันหนึ่งเนี่ยให้นักเรียนในหญิงเมื่อวานเนี่ยอ้าวว้าไปเลยคนละสองร้อย ا ل ح ล د ل ل ว่าเป็นร้อยเป็นพันมันจะเรื่องใหญ่ถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกใช่ไหมก็ไม่มีโอกาสได้ว่าเลยบางทีนั่งชมทีวีชมได้สามีชมภรรยาว่าภรรยาตัวเองอ่ยโอโลทําสวยทงดีทางกวาดบ้านเก่งอาหารอร่อยยังคุยได้เป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่พอชมอัลลอฮ์ชมไม่เป็นคนจริงต้องชมอัลลอฮ์มากกว่าชมภรรยาใช่ไหมแล้วก็ชมสามีนี่นะครับกว่าชมบ้างแต่ชมอัลลอฮ์มากกว่าชมสามี จากนี้เป็นต้นจะลงว่าชมใครยากิสุดชมใครชมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาเาในตับเสดอธิบายบอกว่าว่าอันอัลลอฮะบิมาต้ามารูนะขบีแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงทรงต้านหนักในสิ่งที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติเขาอธิบายว่าฟิลไลลิวันนะฮะ พราวว่าเขาจะทํางานในเวลากลางคืนหรือกลางวันก็ได้อัลลอฮฺเนตรนันนกหมดรู้หมดทุกขั้นตอนนี่เป็น้องไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะนบีคุยกับยิบรีลยิบรีลมาหานาบีมาคุยกับนบีแ ล, ล้วอัลลอฮฺก็บอกกับนบีอลัลลอฮฺบอกกับยิบรีลให้ยิบรีลบอกกับนบีว่าภรรยานาบีเนี่ยกำลังจะตักอาหารใส่ ใส่จานมาแล้วถือมาให้นบีบอกให้นบีรู้นะเดี๋ยวภรรยาคุณจะมาตักถืออาหารใส่จานมาแล้วถือมาให้ท่านนาบีหันไปมองอ้ามาแล้วมาพอดีถือมาเรื่องอย่างนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าอาลัลลอฮ์รู้หมดทุกขั้นตอนมนุษย์จะทําอะไรอลัลลอฮ์รู้หมดก็นางก็บอกให้ยิบรีลีมาอธิบายให้นบีฟังให้นบีมาสอนเนีไย นี่ภรรยาคุณกำลังถืออาหารมานะอยู่ในบ้านอยู่แลนะ้วไไปนั่งอยู่ข้างนอกพอถือก็ถือจานอาหันตะมะ อ, อ้างภรรยามายิบเรียนบอกอลัลลอฮสั่งเยอะแยะไปหมดตัวอย่างประวัติในอดีตในกานำเอามาเล่าเนี่ยทาให้อิหมาเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเอาต่อมาครับอายาที่สามสิบ ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأنما َََّ يدعون ََُْ من ِ دونه ُِِ الباطل َِْ وأن ََّ الله ََّ هو َُ العلي َُِْ الكبير َُِْ ال ال ال الحمد لله นี่เป็นน้องสามายาในเรื่องอัลลอฮ์หมดเลยนะเรื่องอัลลอฮ์หมดต้องการให้นบีให้พวกเราที่อ่านอกุรอานนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะอัลลอฮ์ ให้อะไรบ้างกับกับพวกเราเนี่ยเยอะมากอัลลอฮ์ให้เยอะมากนะให้อย่างนี้สิ่งที่เราไม่ได้ขออัลลอฮ์ก็ให้อะอ ะ, อะไรบ้างที่ไม่ได้ขอตาเคยขอวปลหูไม่เคยขอมือมาไม่แล้ไม่เคยขอเนะี่ยที่เราขออะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอผู้ชารูปหล่อๆเป็นสามีฉนะันนะอันนี้นี่ขอแล้ว อ่าพอแต่งงานเราขอบ้านนาแล้วขอรถของา น, นขอเงินเดือนแพงๆก็ข อ, อยุ่ไม่กี่ขอนี่แหละแต่ส่วนใหญ่ของที่อัลลอฮ์ให้เยอะๆนะเราไม่ได้ขอสักนิดนะนี่อัลลอฮ์บอกกับ น, นบีมูซานะมูซาเอ้ยของที่ท่านขอฉันนะมีอะไรบ้างหนึ่งไม่ให้ติดอางพอหนบีมูซานี่ติดอางผมนี่ก็ติดอ่างนะแต่ผมขอประจําขอตรงไหนรอบบิชรอลีซอดรีวายเซ ล, ลีอามรี ว่าฮลุลอุกดาตามิลิซานียฟโกฮูเกาหกาลีให้พูดจาคล่องคคล่วกัได้อธิบายให้ประชาชนฟังเข้าใจต้องขออาขอให้ฮารูนพี่ชายเนี่ยมาเป็นอะไรนะพี่เลี้ยงช่วยทางานศาสนาด้วยอัลลอ์รับหมดนะแต่ของที่ท่านมาด้ขอในเ ย, ย, ย, ย, ยอะแยะอ่ะเช่นมาตอนอุ้มคันอยู่ฟารโรสังฆ่าเนี่ยฉันไม่ให้ฟารโรฆ่าคุณปกป้องอยู่แล้วก็ให้แม่อะไรนะ ตอนคลอดมาได้สามเดือนแล้วเมื่อกี้เอาใส่ตะก้ารลอยน้ําคุณไม่ได้ขอฉันให้อะแล้วให้ฟาโรห์ให้เมียฟาโรห์เนี่ยเอาเอาตะกาี่ขึ้นมาเอาหีบขึ้นมาพอเปิดเจอเด็กฉันทําให้หัวใจของภรรยาฟาโรห์รักคุณอ่ะคุณไม่ได้ขอสักนิดหนึงต้องคิดตรงนี้ด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่ใ ช, ใชเราก็เหมือนกันอลัลลอฮฺที่อลัลลอฮฺให้มีพ่อแม่ ออพ่อแม่ก็ครเป็นคนดีมีที่ดินอูตังเยอะแยะเนี่ยหลายหลายไร่ทำธุรีละเป็นมรดกทมธุรีละต้องนึกเยอะต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และเมื่อเปรียบเทียบกวับคนอื่นเรารวยกว่าตั้งเยอะเห็นไหมทำธุรีละอย่างนี้นเอาต่อมาครับซาลิกะซาลิกะแปลว่านั่นเนื่องจากว่าอ่าแปลว่านั่นเนื่องจากว่า อัอลลอฮะแท้จริงลลอัลลอฮ์ผูวัลฮักอัลลอฮเป็นพระองค์ผู้ทรงศัจะจูวัลฮักแต่ว่าผู้ทรงศั จ, จอธิบายยังไงถ้าอาญญญ่านอย่างเดียวไม่ไม่อาศัยตับเซตอัลลอฮผู้ทรงศั จ, จอธิบายอย่างนี้นะครับในตับเซตหลายๆเล่ม น, นะในคูตูบีด้วยในอิบนุกะซ็รด้วยนะครับในหลายๆเล่มก็บอกว่า คูวันฮักหมายความว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์ Allah มีองค์เดียวละอิลฮาอิลลาละอิลลากรยราหูไม่มีพระเจ้าอื่นใดคู่กับอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องจริงครับข้อที่2 อ, อัลฮักเป็นพระนามของ Allah. อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อยู่ทลายนา๙๙พระนาม อ, อัลฮนะักกานานเอามา ใส่ใ น, นกะเพรุ่อุรานเพื่อบอกให้รู้ว่านี่เป็นสิทัตหนึ่งของอัลลอฮ์แต่สองแล้วนะข้อที่สามอัลลอฮ์ฮุวลัลฮุวัลกอบีอัลล์เป็นผู้ตัดสินในวันตีมะก็เป็นเรื่องจริงบนดุนยาบั น, นี้อัลลอ์ให้มนุษย์กับมนุษย์ตัดสินกันเองใช่หรือไม่ใช่เอาต่างคนนี้เป็นกอดีใครทำผิดก็ ลงโทษไปอะไรไปมนุษย์กับมนุษย์ใครมีเงินเยอะญาติน่อยก็มาต้องถูกเคียนไปก็มีวิธีของมันนั่นนะอัลลอฮ์พอใจจะพอใจเดี๋ยวมาเช็คในวันเกียร์ใหม่กว่าแล้วกันใช่ไม่มแต่ว่าในวันเกียร์มาอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวผู้วัณก็ดีอัลฮักฉะนั้นถ้าต้องการจะมาให้อัลลอฮ์เล่นงานเราเราเป็นเพื่อนอัลลอฮ์ดีกว่าคุยกับอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์ติดต่อกับอัลลอฮ์เอาไว้แค่อ่านกุรอานนี่นะพี่น้องนะ ถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์นี่น บ, บีสอนให้ยิบรีนมาบอกน บ, บีมหามาโดยสอนประชาชนคนที่ถือกู่อ้ำ น, นี่นะพี่น้องไอ้ไม่ถือก็ขาดทุนนะถือดีกว่านะถือกู่น้ำเนี่ยนะล้วก็อ่านกู่อ้ำ น, นี่นะถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์สุบฮา น, วนาวุตอลาอัลลอฮ์ถืออยู่ขัวเชือกเราถือปลายเชือกเอาได้ไม่เอา พี่น้องถือกุณอ่านเยอะๆกับถือบุหรี่อ้าวอัลลอฮฺบาริกุญะเชือกเดียวกันหรืเปล่านะเองถือเชื่อกสาตอหรือเปล่านั่นนะจะนั่นเถือกุณอ่านถือเชือกเส้นเดียวกันกับใครกับอัลลอฮฺสุบฮานาบุวาตาลาอัลลอฮฺพี่น้องครับแต่ที้บางคนก็หัวหมอถืออย่างเดียวคุณไม่อ่านไอระวันไอละัน เท ja. ือก็ต้องอ่านด้วยก็เปิดดูอ่านอัลลอฮฺอักบัดอ่านตะกุกตะกัดได้ผลบุญกี่เท่าสองเท่าเห็นยังเขาให้กำลังใจเราตลอดเวลาเราทำด้ลแล้วซาลิกบิอันัลลอฮฺวัลฮักนั่นเนื่องมาจากอัลลอ์นั้นน่ะเป็นพระองค์ผู้ทรงสัจจะอาเาว่าสัจจะหมายความว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะเป็นเรื่องจริงสอง สิทัต์ของอัลลอ์มีอยู่ทั้งหมด99พระนามหนึ่งใน99คืออัลฮักูแปลว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องที่สามอัลลอ์เป็นผู้ตัดสินกอวีในวันไหนในวันเตียมะแต่เพียงผู้เดียวนะครับบางคนอธิบาย บ, ายบอกว่า อ, อธิบายแนั้ละสามสามพอนะครับคนที่เชื่อฟังอัลลอ์อ่นนะตาอัตอลลอฮ ักโ ค, คนที่เชื่อฟังอนะัลลอฮ์น่ะคุณทำตัวถูกต้องแล้วเป็นเรื่องจริงครับถ้าไปทำตัวทรยศกับคำสั่งอนะัลลอฮ์น่ะคุณขาดทุนนะ่ะแต่อัลลอ์ให้บนโลกนี้คุณไม่ขาดทุนแต่จะขาดทุนตอนไหนตอนวิญญาณออกจากร่างพอจับใส่โลงปั๊บพอยกลงเองจะพาฉันไปไหนอันไม่เชื่อลองตายดูพอจับใส่ลงปั๊บนึ่ร่งหมดเลยนะคนที่ไม่เอาอัลลอ์ คนนี้เอาอลองบอกว่ากอดดิโมนีรีบพาฉันไปรีบพาฉันไปไวๆอย่ารออักบัรคนแบกไม่ได้ยินคนที่เดินล้อมลุมอะล้อมล้อมอะไรนะล้อมลงไม่ได้ยินแต่ได้ยินอะไรแพะแกะใสเดือนมาแรงปวงแลงป่องได้ยินหมดเอย่างกับมีนบีเล่าให้เราฟังเราไม่เชื่อก็ตามใจแต่เชื่อดีกว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับเพราะว่าอะไรที่ออกมาจากปากนบีไม่เรืจริงหมดเลยนะครับ อต่ะมาครับวะอันน่มายาด้านามินดูนิลบะติลวะอันนาะแปลว่าละท้จริงมาแปลว่าอันใดยะดาวนะพวกเขาวิงวอนดายะดอาวแปลว่าวิงวอนหรือขออย่าลืมนะก่อนขอดูอานี่มีอยู่ห้าอย่างนะหนึ่งขอแล้วได้เลย สองขอแล้วได้ช้าสาขออย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่งอันที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาละไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วดุลยานี่ไม่ได้ไปได้ไหนหลังตายอาคือรอตกลงการขอดุอามีประโยชน์ไม่หนึ่งก็สองไม่สองก็สามีมอยู่หอย่างนี่นบีอธิบายให้เราฟังแบบง่ายๆนะหนึ่งขอแล้วได้เลย สองขอแล้วได้ชาอายุตัวอย่างกต่พูงเธอเนี่ยอายุจะได้อายุ12 อ, อ, อยากจะได้สามีดีๆก็ต้องเริ่มขอตั้งปีนี้แล้วนะอีกสิปีตุ้นจะได้สามีใช่ไหมอายุยีห้าก็แต่งงานก็ได้สามีพอขอมาตั้งอายุ10บขวบอย่างเงี้ยฮามดุลิลลาได้ชาแต่ที่ชาวันนี้มีไหมดับเบียบรอฮิมขอดูอาให้นครมักมกะมีนบีมุฮัมมัดขึ้นมากว่าจะมีนบีพันปี เห็นยังในรถอาลาเนี่ยโอ้โหว่าแล้วก็บอกกับนบีมาสรุปชีวิตว่าดูอามีอยู่หอย่างหนึ่งขอแล้วได้เลยสองแล้วสองขอแล้วได้ช้าสองขออย่างหนึ่งได้ได้อีกอย่างหนึ่งอธิบายยังไงขอลูกผู้ชายอัลลอฮฺให้ลูกผู้หญิงเห็นยังครับนี่มีความสามารถอัลลอฮฺต้องบอกอัลลอฮฺรู้ฉันต้องการจะทดสอบคนคนนี้ให้ลูกผู้ชายมันอ๋อแล้วเกิดให้ลู่ผู้หญิงบ้าง อมามัดลูกตายอัลลอฮ์ทำเสียใจยไม่เสียใจยอ่ะห้มเดลินะเราทดสอบหมดนะเรื่อีเป็นต้นนะครับห้ามเดลินะทีนี้คนที่ไปขอวิงวอนอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยได้อะไรถูกไหมอัลบาติลเป็นเรื่องปลอมหมดเลยเรื่องเสียหายเป็นเรื่องไม่จริงคู่กับฮักกับบาติลฮักแปลว่าจริงบาติลแปลว่าไม่จริง ถ้าใครที่ไปวิงวอนขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นไงครับขอจากพระเจ้าสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับเป็นเรื่องบาปินเป็นเรื่องเท็จหมดเลยครับอัลฮักนี่สิ่งฝันอัลลอฮ์ขั้การสิ่งฝอัลลอฮ์ก็คืออัลบาปดินเรื่องเท็จฉะนั้นคนที่ไปวิงวอนสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องเท็จหมดเลย ตาสว่างไหมโอ้ท oh, ่ำดูลิลล์ไปขอเจ้าโต้ตะเกียเรื่องเท็จไปขอเจ้าโตระยองเรื่องเท็จไปขอเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเท็จเอาตะกรุดมาห้อยเรื่องเท็จไปหาหมอดูเรื่องเท็จเท็จหมดเลยที่อิสลามเปิดสมองเราโอ้ท่ำ oh, ดูลิลล์ใช่ครับใช่ครับท่านอย่าไปเดินตามกระแสะเดินตามคนอ่านท่ำดูลิลล์ ว่าอันนั้นไม่ยาดงนั้มินดูนิ hil บาติลบาตินแปลวไงนะเท็จบาตินแปลว่าปลอมบาตินแปลว่าไม่จริงเป็นเรื่องโกโหกฮักโกนเป็นเรื่องจริงอ่าใช่ไหมอายันนี้เตือนนะเตือนคนอ่านกุราอ่า น, านด้วยนะครับว่าเราต้องได้ความรู้อย่าเอาเรื่องเท็จมาไว้ในบ้านเราอย่าเอาเรื่องไม่ดีไว้ในสมองเรา เอาเรื่องปลอมๆในสมองอย่าเอาอ้เคลียให้หมดเอาแต่เรื่องจริงๆเอาไว้ในสมองเราดีกว่าเอารอไปน้องแค่อ่านแค่อ่านอ่านเนี่ยผมดูคลิปของใครมาส่งให้ผมคนญี่ปุ่นรับอิสลามไปวิจัยเรื่องน้ําเอาน้ําทั่วโลกนะเอามาวิจัยนะเอาน้ำที่ผ่านเสียงเพลงเสียงดนตรีเอามาวิจัย เสียงสวดมนต์ในวัดทุกวัดในโลกนี่นะอมาวิจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่พอเอาน้ำที่ผ่านอัลกุรอานกับน้ำจำๆมีโมเลกุลเอ็มไปหมดเลยออกมาสวยแล้วสวยอีกสวยแล้วสวยอีกผ ล, ส, ล, ส, ลสุดท้าครับอิสลามใช่ั้ยฉะนั้นในตัวของเรามีน้ำเท่าไหร่ที่เราเรียนมาครับเ0สเอร์ใช่หรือไม่ใช่ ถ้าอ่านกุณอ่านทุกวันทุกวันน้โมเลกุลในตัวเราจะเป็นไงอัลลอฮฺอักบารออกมาปกป้องโรคภยัยไข้เจ็บสารพัดหมดเลยอ่ะนอกจากด้านทุรังจริงๆอะไรเราเองป่วยบ้างไหมถ้าอ่านกุณอ่านยังสิขรุ่นละอัลลอฮฺไปนั่งเอาน้นนนาานํามาวิจัยยังเห็นอะไรเลยอ oh, ัลลอฮฺอักบาร์โมเลกุลออกมาเนี่ยสวยสวยสวยสวยอัลลอฮฺอักบาร์ทึง่งหมดเลยอ่ะแค่น้าําำดำๆอย่างเดียว น้ำที่ผ่านกุญญานกับผ่านเสียงเพลงต่างกันต่างฟ้ากับดินดังนั้นเราอยู่ในในร่างเรามีนานต้องเยอะใช่ไหมนะอ่านกุญญานอย่างเดียวอัลฮัมเป็นฮักกุลเป็นเรื่องจริงนะครับอัลฮัมเลิลเสียงเพลงเรื่องบาติลดนตรีบาติลก็สนใจมันตร้งไรพยายามออกห่างออกห่างออกห่างต่อมาครับว่าอัลลอฮุวัลกอลกับี แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยสิฟะอัลลอฮ์ Allah นะนี่ข้อที่สองที่สาม้วนะอาลียุนแปลว่ายังนะสูงสูงในตําแหน่งก็ได้หรือว่าอัลลอฮ์เนี่ยสูงอยู่สูงกับใครทั้งหมดได้ไหมตีความไปหมดเลยแต่นั้นไม่มีทักษิงทุยาณนะั้นอยู่ใต้อัลลอฮ์หมดอัลลอฮ์สูงสุด everything in the world อยู่ใต้อัลลอฮ์หมดเลยครับคำเดียวอาลียุนแปลว่าสูงสง่งเอาต่อมาครับก บ, บีรุนแปลไว่า ใหญ่อะจะมองอะไรก็ตามแต่ใหญ่หมดตำแหน่งก็ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใต้อลัลละฮ์เล็กหมดเลยนะลบบั่นอัลลอฮ์กบีรุนบะวัใหญ่สุดแล้วก็ที่อยู่ใต้อลัลลอฮ์ทั้งหมดเล็กหมดเลยอลัลลอฮ์สูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนะต่ำสุดอย่างนี้เป็นต้นอฏิบายตรงกันข้ามหละฮัมดุลิลลาฮิโน อ, นอัลลอฮิกรับอาทีนี้ นี่สิอัลลอ์ตันี้มีสาิทธนะอายาเนี่มีสามสิทธินะหนึ่งอัลฮักุสองอลียุนสามกบีรุนฮั ก, กุนกบีรุนอลียุนมีสมสิทธตแลวของที่ผ่านมาอยู่สองโอ้ค่อยๆมาเีืเ่น้อยเรื่องน้อยเรื่น้อยสิทธของอัลลอ์าาุบฮานาหุบตาลต่อมาอยายสุดท้ายคับ้อทั้งหลาย <c oughs> ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليوريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم ت ر َ أن الله alam taro an nalfulka ท ب َ ح ริِิลบาฮ์ริบِญิอَّมัติลลาฮ์َิยูริยักุมมินอายาตีอินนัฟิザลิกะลาอายาต์ลิคุลิซับบาริน شكور الحمد لله อายาสุดท้ายนี่พูดต้งหลายเรื่องนะเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์หมนเลยครับอัลัมตาโรแปลว่านบีมุฮัมมัดเคยไม่เคยสังเกตรหรือสอนพวกเราด้วยเคยสังเกตไหมล่ะอืมสังเกตอะไรครับอันนัลฟุลก็ฟุลก็แปลว่าเรืออ่าแปลว่าชิปเรือใหญ่ๆเรือเรือเดินทะเลน่ะอัลฟุลกูใช่ไหมอ่า ถ้าเร <top> <inferior> ือเล็กเล็เรียกว่าซาฟีนะซาฟีนะไปว่าเรือที่แล่นอยู่ในเนี่ยในรในแม่น้าของอะไรผลแม่น้ำอะไนี่นะเดือเรือเดินทะเลก็จะอัลฟุ่กูเรือใหญ่ใมหาสมุทรใหญ่ใหญ่น่ะเคยสังเกตดูเห็นเคยสังเกตเรื่องเรือไหมล่ะเอาล่ะเห็นยังครับตัวรถขอเราเนี่ยกับกับไรนะกับธรรมชาติที่เลาสร้างมาต้องพูกพันกันตลอดเลยเคยสังเกตดวงจันทร์ไหม เคยสังเกตดวงดาวไหมเคยสังเกตกลางวันกลางคืนไหมอรอสอนให้คิดตลอดเวลาอ้าเคยสังเกตดูอะไรนะเรือบางไมตาจรีมันทําอะไรตะกี้จะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันวิ่งใช่ไหมอันนี้ก็ชายศัพท์เดียวกันมันก็วิ่งเหมือนกันวิ่งอยู่ในท้องทะเลวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่อมัดอเลมตานี้พอเรียนวิชาที่มาใช่ไหม ไปศึกษาเรื่องทะเลเอาลราได้ความรู้เต็มเลยนี่น บ, บีไม่ใช่น บ, บีเสียมอุลามะท่านฮัสซันท่านฮัสซันนะไ ด, ได้อธิบายบอกว่าใครที่ต้องการจะหาประโยชน์มิฟตาฮุบิฮารอัสซุฟุนกุญแจไขไขทองทะเลไขมาหาสมุทรต้องเดินทางผ่านเรือ เดินทางลงเรือเดินทางตามมหาสมุทรทั้งหลายคุณจะได้รู้เรื่องของน้าทะเลเรื่องมหาสมุทรอย่างดีนั่งอยู่บนบกอย่างเดียวและศึกษาเรื่องเรื่องทะเลไม่เคยลงเรือเลยนะไม่ไม่รู้ลงเรือถึงจะได้รู้ว่าโอ้บิฟตา้าคุสบีฮาร์กุญแจไขอะไรนะไขทะเลไขมหาสมุทรต้องนั่งเรือ อุลมามะเ็สอนเท็จครับไม่ต้องอาศัยฝรั่งเลยสักนิดหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยฝรั่งเลยเอ่ยใครองค์อุลมามะมุสลิมนี่แหละพอแล้ว เ, เรื่องที่สองท่านฮาสซันกล่าวว่าถ้าต้องการจะดูอลัลอาดูเอิร์แผ่นดินนี่นะว่าเป็นยังไงนี่นะให้เดินทางตามถนนอัตตุรกุกมิฟตาฮุลอาดูอัตตุรกกุญแจไข โลกดุนยาใบนี้นี่นะให้เดินทางผ่านถนนที่ก็สร้างสร้างกันอยู่นี่มันไปสิอ่ะขับรถไปไม่ผิดเลยนะจะศึกษาเรื่องอารตูแผ่นดินของอัลลอฮ์ไปตามถนนที่ไหนไม่มีก็ลงเรือไ ป, ไปขึ้นเรือจะประเทศนู้นประเทศนี้ใช่ไหมนี่ทําท่าจะติดต่อกันหมดทั้งโลกเลยใช่ไหมนี่แผ่นอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นละฉะนั้นถ้าจะาศึกษาเรื่องทะเลให้ลงเรือ ถ้าจะศึกษาเรื่องแผ่น ด, ดินของอัลลอฮ์เนี่ยให้เดินตามถนนที่เขาสร้างสร้างสร้างสร้างไม่ต้องไปลงทุนแล้วเดินอย่างเดีย ว, เ, ยวเอาต่อมาครับมิฟตาฮุสซามะคือความรู้เลยนะถ้าต้องการจะขชั้นฟ้านะให้ประทานให้เราอนุนให้เราให้ขอดัวอัลลอฮ์นี่ความรู้นี่เป็นว่องยิ่งใหญ่นะมิฟตาฮุสซามะต้องการจะขชั้นฟ้า กว่าชันฟ้ามีอะไรบ้างนี่นะเพราเราขึ้นไปไมาถึงอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะพอยังไงยังไงก็มีอเมริกากับรัสเซียขึ้นอยู่สองประเทศแล้วจีนทำชา่าจะขึ้นอีกใช่ไหมล่ะก็ไปถ้าแค่ไหนแค่นี้แหละแต่ลึกๆเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นอยากจะรู้เรื่องชั้นฟ้าให้ขอดูอ่านต่ออหรอชั้นฟ้ามีอะไรบ้างมีริสกีถึงเยอะแยะไปหมดเลยความรู้จากคันฟ้ากุณอ่านจากชั้นฟ้ า, ฟ า, ฟามเมริกาอยู่ชั้นฟ้าทั้งหมดอยูชั้นฟ้าหมดเลยคือผ่านอัลลอฮ์ถ้าต้องการ เรื่องอะไรบนชั้นฟ้าให้ทําไงขอดูอ่ไม่ต้องไปขึ้นถ้าต้องการจะรู้เรื่องของทะเลให้ลงเรือถ้าต้องการจะศึกษาเรื่องเอิร์ดแผ่นดินนี่ให้เดินทางตามถนนถ้าเรื่องชั้นฟ้าจำไหมขอดูอ่อัดดูอาเปิดสมองเราอย่างอา๋อเองเหนื่อยแค่สอสองทีพอเนี่ยเรื่องทะเลไปศึกษากัน นั่นเรเจออิมานเต็มเลยนะไปเจอปาการังเจอนบีก็ไร ย, ยูนุสใช่ไหมยูนุสแหะอ่าอยู่ในท้องปลาโอโชานฟ้าแบบนบีมามาจะขึ้นบิรอกโอตายไม่ได้อยู่แล้วเราอ่ะอย่างนั้นนะ่จฉะนั้นคิดแค่สองเรื่องพอเรื่องอะไรนะมหาสมุทรน่านา้ำกับแผ่นดินตรงนี้พอแล้วเรื่องข้างบนขอดูอาอย่างเดียวอัลลอฮฺจะอัลฮฺจะ อัลฮ์มดุลิลลาฮเนาเมตตาให้ความรู้ผ่านอุลามะมาเล่าหาฟังอัลฮมดุลิลลาฮ์นอตอมาครับให้เราศึกษาให้สังเกตดูอะไรนะเรือที่วิ่งอยู่ในมหาสมุทรฟิลบาฮในมหาสมุทรบินเอามติลลาที่วิ่งอยู่นั่นเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ที่ให้จมมีเปล่าเรืออะไรไททานิคใช่ อ่ะจมมาแล้วอ้าวล้วเป็นยังไงอ่ะ อ, อ๋อลอท่านนึกอ๋อรอเนี่ยหมัด อ, อ๋อรอนี่ถ้าอ๋อรอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ช่วยนะเ อ, องครับขับยังไงเรือมันก็ไม่วิ่งอ่ะเนี่เล่าอ้าวไม่น้ำรับผิดชอบไปขนาดอะไรนะจับนบีมูซาใส่อะไรนะใส่หีบใช่ไหมให้หีบลอยน่ะนะใครสนะั่งอ่ะ อ, อ, อัลลอฮ์สั่งเอาหีบรอยไปร้อยอตามน้ําแล้วก็ผ่านปราสาทฟาโรห์ด้วยนะอัลลอฮ์อัลกุบอัลลอฮ์สั่งหมด <c oughs> ถามมูซาเองเคยขอบ่าท่านไม่เคยขอฉันให้นะมูซาก็คิดเออใช่ใช่ใช่ทำดีๆเลยเอาต่อมาครับลียูริยาคุมอ่าลียูริยาคุมเพื่อให้สุดเพื่อแสดงให้สูเจ้าได้เห็นเพื่อแสดงลีย Ag ูริยาคุม เพื่อให้สู่เจ้าเพื่อแสดงให้สู่เจ้าได้เห็นอัลลอฮฺอักบารแสดงให้เห็นนะนี่เล่าให้ฟังนะให้เรือมาให้ทะเลมาให้มหาสมุทรมาให้เรือแล่นเนี่นะเพื่อจะแสดงให้คุณได้เห็นถึงอะไรเนี่ยอมมัดของอัลลอฮ์ความปวดตาของอัลลอฮ์มินอาญาทิ่หิจากสัญญาอีกไม่รู้ว่ากี่สัญญาในโลกนี้อัลลอฮ์ให้เห็น แค่สองสามอย่างให้คุณได้ใช้ปัญญาได้ขอบคุณอัลลอฮได้นึกถึงาาอัลลอฮสุภาห์นูบะตาละเอาต่อมาครับวัตถุไทยอินฟลาลิกในสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮเล่าดังก็พิคุรานนะนะลาญาตินมันเป็นอะไรนะมันเป็นสัญญาเป็นมันเป็นเป็นเครื่องหมายหรือเป็นถ้าถ้าเอาเรื่องของนบีวางก็กลายเป็นมว่มา้วนจะีดัดนละอาญาเป็นสัญญาณทั้งหลาย หลีกคุลีกกับทุกๆคนเลยอ่าแล้วก็ต่อมาซิฟัตสองข้อเนี่ยอลัลลอฮ์ให้กับมนุษย์นะซอบบาร์ผู้อดทนคนที่อดทนซอบบารนะซอบบาร์ซบบารแปลว่าซอบบาร์ผู้ที่อดทนเยอะๆอ่าทำไมอลัลลอฮ์เล่าเรื่องอดทนอาญานี้เพื่อก้าให้เรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าจะ อยู่กับโลกดุงยาใบนี้มีสองอย่างจะต้องทนะํหนาหนึ่งสบัดอดทนสองฉักรุ่นขอบคุณคุณนั่งเรือพอนั่งเรือมีปัญหาใช่ไหมก็ต้องสบัดไหมไม่สบัดก็ก็ใช้ขอขึ้นก่อนแล้วไปเจอเรือเรือคงเคง้งเมาเอาหัวูขึ้นกลุมกลุมไอยู่แล้วต้องอดทนนะ่ะอยู่บนดุงยาใบนี้ก็ต้องอดทนอดทนมีอะไรบ้างอดทนในการทําความดี สองอดทนที่ไม่ทําความชั่วสามอดทนเมื่อมีเรื่องมีราวเงินขาดคนป่วยถูกด่าบ้างถูกตําหนิบ้างโอ้โหใจในร้อนชาเลยทําไงดีวะสบายสบายสบัยสบายดูใครเป็นแบบดูนบีดู น, บ, ดนบีเป็นแบบในการอดทนถูกตําหนิมาตลอดแล้วต๊ะครูที่ถูกถูกตําหนิเยอะนะใช่หรือไม่ใช่ใชอรอสอนพลาดนิดเดียวก็ด่ากันเป็นเดือน ผมเคยเคยมาแล้วต่อมาครับชากกรุนเป็นไรนะผู้กาตัร์อยู่ขอบคุณอัลลอ์ขอบคุณตอนหนาด้วยไหมตอนสุขภาพเราแข็งแรงขอบคุณอัลลอ์ที่เราบวชได้เรห้มด้วยลิลล่นี่ผมเนื้อก็ผมบวชไม่ไหวนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยหมอว่าลุงอย่าบวช น, นะขาดนุ่นขาดนี่แล้วก็เชื่อหมอมากก็ไม่ได้เชื่อร้อยนะเอ๊นี่ยังไม่ได้ขาดเลยดูลิ คบคุณเราวิธีรักษาไงได้ไหมแล้วก็ต้องรู้ว่านบีกินอะไรกินตามนบีเน่ยเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยนะของที่นบีทําเป็นวิทยาศาสตร์หมดน่ะอินทพาลามเนี่ยทิ้งไม่ได้อ่ะกับน้ําเนี่ยทิ้งไม่ได้กินน้าเยอะๆแล้วก็มีบางคนแนะนำให้เอาน้ามะนาวเนี่ยบีบแล้วไปหน่อยอัลลอฮ์กันกินสามสีแก้วเนี่ยนี่กลางคืนเนี่ยเจ็ดแปดแก้วทานไปเลยนมาตอรวีไป พอพักพอ ก, ก, ก, ก็ดื่มน้ําครึ่งแก้วนํามาต่ออีกครึ่งแก้วแปรร้องอาตอ a l l a ได้จากสายสี่สีห้าแก้วน้ำนี่ชีวิตเรา ก, ก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมอ่ะทีนี้อายาสุท้าเนี่ยนะเราได้รับความรู้เยอะนะเอวาว่าวักสุท้าหนึ่งมนุษย์พวกเรานี่ต้องสวบัดเยอะๆถึงจะพบกับอล l l a h แล้วก็ชุกดขอบคอลลัลอ a l ะ a h เยอะๆถึงจะพบกับอล l l a h ศุภานุประหลาทาว่าบรรดานับีแต่ละคนที่มาเนี่ย เหนือทุกกันทุกคนนะ่ะแต่คนเขาอยู่ด้านดูความอดทนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาอัาอลมาอธิบายอย่างนี้นะครับสบัดดินอลัลลอฮฺสบัดอดทนในการทําความดาีแล้วก็สบัดอดทนเมื่อถูกบางาแล้วก็สบัดอดทนไม่ทําความชั่ว เนี่ยอัลล์ตเตือนบ่อยๆนะแล้วก็ให้ขอบคุณอัลลอฮ์ทุกครั้งที่ได้รับเนี่ยมามาให้ขอบคุณอัลลอฮ์สุภานุบุบตาเด้พี่รองครับอิหม่ามเราเนี่ยรูกร้กลัวพอเงยจอยรู้กลัวยืนนานหน่อยใช่มมันมีดอูอาอ่านอ่านดูอาว่าอย่างนี้มันมีอยู่สามสามดวอาของอิหม่ามบุคคีมา ม, มุสลิมหมดเลยนะสมีอัลลอฮฺลิมันฮามิดา Rabbana walakalhamdu, kini ko dah. Tolak lagi Rabbana walakalhamdu h a m d a n k a t s i r a n t a y y i b a m u b a r a k a m f i ko dah. Tidak bukhari na, imam Muslim. Allahumma Rabbana lakalhamdu, mil a s s a m a w a t i w a t i b i k macamai, tuh fitnah. Kau nampak pan gemurik. <laughs> Tolonglah. d u alang, langcau do kuah ni ada, ada, ada, ada, a a ada, ada, ada, m d a ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, b a ada, a a ada, ada, ada, ada, a d i ada, ada, ada, ada, ada, n d a ada, ada, a a ada, ada, a a ada, a d i a a ada, ada, a d i a a m d a s d a ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, a a ada, ada, ada, ada, ada, ada, a a ada, ada, ada, a a a a ada, ada, a a ada, i d a ada, ada, ada, ada, l d a ada, n d a ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, a a a a ada, ada, a d เอาสตัวอามารวมกันได้มั้ยได้พอเขารวมสามตัวอาเราไม่เคยฟังอะไรวั น, นไหนเฮ้ยมันคณะไหนกันเนี่ยซุฮานกาลลาฮุมาวะบิฮัมดิอลาฮิิฮอนตอัสตบกะวะตุบอิไซลลอฮะลมุฮัมมัดวะลอลฮิวซบบฮิอัจมลฮัมดุลิลลาฮิรบิลา